วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพั ส, สูตรเรื่องปฏิจจสมุปาทิโดยอาจารย์สุเทโพโพธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพพะสูตรวันนี้เป็นสูตรที่มีชื่อว่าอาเจละกะอเจลกะกัสปะสูตรคคำว่าอาเจละนั้นแปลว่าผู้ไม่มีผ้า คือคนไม่ได้นุ่งผ้าเราแปลเป็นภาษาไทยว่าชีเปลยกาสปะนั้นเป็นชื่อตัวก็ได้ความว่ากาสปะที่มีชื่อชีเปลยที่มีชื่อว่ากาสปะส่วนเรื่องราวที่สนทนากันนั้นเป็นการสนทนากันเรื่องความทุกข์เกิดแต่อะไร <c oughs> ในพระสูตรนี้มีความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณพระเวลุวันกาลันตะกะนิวาปสถานกรุงราชครื้ทั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ทรงถือบาทและจีวรเสดเข้าไปบินรบาดในกรุงราชครือจเจรกะสัส ป, ปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณสถานที่นั้นได้ปราศัยกระพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการตาใสพอให้ระลึกถึงการไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งพ <c oughs> ระเจรกากะสัส ป, ปะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามเหตุผลบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมจะทรงกระทำโอกาสเพื่อทรงตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ พระผู้มีรภาตรัสตอบว่าดูก่อนกรสปะยังมิใช่เวลาตอบปัญหาเรากําลังไปสู่ละแวกบ้านแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีาาระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนกรสปะยังมิใช่เวลาตอบปัญหาเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านาจากสูตรนี้ก็จะเห็นว่ า, <c oughs> าผู้ที่มาฟ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรง กำลังเดินเข้าไปสู่ละแวกบ้านเพื่อบินตาบัดนั้นมีอย่างน้อยก็สองรายแล้วที่ยกตัวอย่างในตอนเช้านั้นก็คือพระภัยยะผู้เดินทางมาแต่ที่ไกลแล้วก็เป็นเดลทีมาก่อนคนนี้ก็เป็นเดลทีมาก่อนเป็นชีเปลือยซึ่งได้ไม่ได้พารนารายละเอียดว่ามาในลักษณะเหมือนอย่างพวกเชนเดลเลยทีเดียวไม่มีผ้าปอนท่อนตะใบเลยหรือไม่ก็ไม่ได้พูดถึงนะ อาจจะมีผ้าอยู่บ้างหรือเปลือยเลยก็อาจจะเป็นได้แล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่นี้ด้วยอาการยืนซึ่งจะแตกต่างกับท่านพระภาหิยะที่เข้ามากราบ <c oughs> และเรื่องที่มาขอถามเนี่ย <c oughs> ก็ถามถึงสามครั้งปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบปฏิเสธถึงสามครั้ง ไม่ตอบด้วยอ้างเหตุผลว่าเป็นเวลาที่กําลังจะเข้าไปบินตบานเรียกว่าเข้าสู่ระแวกบานระแวกบานก็คือเข้าไปสู่ระหว่างบ้านที่ภาษาบาลีใช้คําว่ า, อ, า, อ, าอันตระครังอันตระครังอันตระในแปลว่าระหว่างขรังก็แปลว่าเรือนคือเข้าไปสู่ระหว่างเรือนระหว่างเรือนนี้กับเรือนนี้เรือนโ น, น, น้นกับเรือนโ น, น, น, น้นเรือนนั้นกับเรือนนั้นต่อต่อไป เรียกว่าอันตร ก, กรังลังเข้าไปเพื่อบินธบาตซึ่งโดยปกติเนี่ยท่านว่าพระผู้มีพรภาคนั้นเมื่อกําลังเสด็จเข้าไปสู่ที่บินธบาตแล้วใครจะมาขอให้แสดงธรรมนะพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงประทับนั่งในระหว่างหมู่บ้าน mm hmm. เหมือนอย่างภาพที่เราเห็นกันในอย่างในสมัยนี้ก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูเราลองนึกดูว่าพระเข้าเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านอย่างที่เราเห็นในเมืองไทยเนี่ย หมู่บ้านจะสันนะฮะแล้วก็ไปถึงก็ไปนั่งปักตรดแล้วก็แสดงธรรมในระหว่างบ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จึงตรัสหมายเอาว่าจะไม่แสดงธรรมในลักษณะอย่างนั้นนี่อันหนึ่งและอีกประการหนึ่งที่ทรงปฏิเสธสามครั้งเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อให้อเจรกะกัสปะผู้เป็นเดลถีเนี่ยเคารพธรรม ด้วยปาลารบว่าการที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงแสดงธรรมนั้นไม่ใช่ของที่นึกอยากจะทำก็ทำก็จึงไปเสด็จสามครั้งเมื่อไปเสด็จสามครั้งก็เกิดความรู้สึกว่าอันธรรมดาการที่จะมาขอความรู้หรือมาทูลถามพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของทำง่ายเป็นของทำยากก็จึงเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าธรรมะคารวตาเงียโสดสดับ นี่เป็นอีกอันหนึ่งและอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงร อ, อยานาสัตว์แก่กล้าคือหมายความว่าการที่ถามครั้งแรกด้ยความรู้สึกดูเบาครั้งแรกจนกระทั่งถึงครั้งที่สามและทรงปฏิเสธในครั้งที่สามอาเจรกะนั้นได้ปรับอินทรีย์ของตัวเองไปในตัวนั่นเองคือความเคารพในธรรมึือหมายถึงสธา แล้วก็ความสงบแห่งจิตซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิสติปัญญาทุกถึงทุกอย่างนั้นก็เริ่มแก่กล้าขึ้นอุปมาเหมือนกับหมอทำบาดแผลหรือหมอชำระบาดแผลหุงน้ำมันที่เคี่ยวกับน้ำอ้อยเนี่ยก็เมื่อตั้งแล้วก็รอให้น้ำมันน้ำอ้อยนั้นถึงความอ่อนตัวพอสมควรตอดแล้วจึงยกลงเอามาทาเป็น อย่ารักษาบาดแผลหรือชำระบาดแผลในภายหลังนั้นเมื่อถึงครั้งที่สี่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอาเจลกละกาคาสปาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระเจ้าประสงค์จะถามท่านพระโคดมไม่มากนะักคือไม่ประสงค์จะถามมากนะักอันนี้ก็เป็นข้อลักษณะว่าข้อต่อรอง ก็ว่าพระองค์ไม่ต้องนั่งก็ได้ยืนตอบนั่นแหละค่ะพระองค์ก็จะยืนฟังนั่นแหละสักนิดเดียวไม่ถามมากอคําว่าไม่ถามมากเนี่ยถ้าเทียบกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระรูปอื่นในกรณีอย่างนี้บางทีก็จะดูอย่างมากกว่านะพระสูตรนี้มากกว่าแต่ว่ากคำนวณโดยเวลาแล้วก็ไม่น่าจะมากมายอะไรนักพระพุทธเจ้าก็ยืนทรงเปิดโอกาสว่าดูก่อนกระสปั ท่านจงถามปัญหาตามที่ท่านจำลองเถิดสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโกดมความทุกตนทําเองหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอยากกล่าวอย่างนั้นกับสปากอ่านี่เป็นคําถามคําตอบที่หนึ่งที่ถามว่าความทุกตนทําเองหรือเนี่ยทุกในที่นี้หมายถึงอะไรทุกอะไรนะคือหนึ่งมีให้เรื่องอยู่สองทุก ทุกขเวทนาสองวัตทุถ้าถามว่าทุอะไรตอบว่าในใจของกัสปะนั้นหมายเอาความทุกขเวทนาความรู้สึกสุขทุกอย่างธรรมดาเนี่ยว่าใครเป็นผู้ทำให้มีทำให้เกิดขึ้นตนเองหรือพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธปฏิเสธเนี่ถามว่าปฏิเสธทุกปฏิเสธการกระทาปฏิเสธตน มีสามอย่างให้เลือกนะฮะก็ตอบว่าในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าทุกมีอยู่ทุกเวทนาก็มีอยู่วัฏทุกมีอยู่การกระทําคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกมีอยู่แต่ตนคืออัตตาผู้สร้างทุกไม่มีตนคืออัตตาผู้สร้างทุกไม่มี ถ้าที่กัตถปาถามว่าความทุกตนทําเองเนี่ยหมายถึงว่าทุกของเราทุกของเราตนของเราเป็นผู้กระทําขึ้นหรือเป็นผู้สร้างจะทําด้วยการสร้างกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวพุทธเจ้าบอกว่าตนไม่มีอถ้าไม่มีแล้วใครเป็นผู้กระทําใครเป็นผู้กระทําใครเป็นผู้เสวยคําตอบก็คือ มันเป็นเรื่องอกลไกของขันหลึกที่เรียกว่าทุกขในสำนวนความหมายทางศาสนาก็คือทุกกับทุกนั่นเองมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยคืออย่างนี้ฮะว่าสมมติมว่าเราพูดกันถึงทุกขในระดับสังสารวัตวัฏทุกโดยย่อเป็นจะขันห้าเป็นทุก สังขหิตเตนะปัญจุปาทานนาขันธานี่เป็นวัตุุถามว่าทุกนี้ใครทำคือใครสร้างอ่ะพูดอย่างอีกสํานวนคือใครสร้างชีวิตพูดสํานวนทางสั จ, จาะคือใครเป็นผู้สร้างสังขหิตเตนะปัญจุปาทานนาขันธาทุกขาขึ้นมีตนของเราเป็นผู้สร้างขึ้นหรือเรามีตนไหมไม่มี แล้วจะเอาตนที่ไหนมาสร้างคนอื่นมีตนที่อื่นมีตนไหมไม่มีแล้วตนที่ไหนยังมาเป็นผู้สร้างตอบอย่างสภาวธรรมก็คือตัณหาใช่ไหมฮะเป็นหัวหน้าในการสร้างคราวนี้ตัณหาเนี่ยถามว่าตัณหาที่มาทำให้เกิดปัญจุปาทานขันธาทุกขาเป็นตัณหาของเราหรือเป็นตัณหาของคนอื่นหรือเป็นทั้งของคนอื่นทั้งของเราตอบว่าตัณหาของเรา ความอยากของเรานี่แหละนี่คือตอบอย่างทางพุทธนะแต่ประอแต่กัสริะเนี่ยแกเป็นเหมือนกับนักบวชคนอื่นเป็นศััทตาทิ่ติพยายามจะเหนืกว่าตนเป็นผู้สร้างก็เลยมาถามว่าตนไหนเป็นผู้สร้างทุกเหล่านี้ขึ้นมานี่เราพูดถึงทุกระดับสังวรวัดอธิบายอย่างพุทธว่ายอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเป็นทุกขเวทนา ทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆอะไรเป็นผู้สร้างทุกเช่นว่าเราผิดหวังได้ประสบสิ่งที่ไม่ต้องประส์ไม่ได้ประสบสิ่งที่ต้องประส์เกิดความทุกข์ตามสรีระเกิดปัยพิบัติต่างๆปัดลากอยากของรักของหง่วง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรใครเป็นผู้ทํำนี่ตรงนี้ละถ้าเป็นเทวานิยม ก, ก, ก็จะอธิบายอย่างท่านจะในเครื่องนานได้ถ้าเป็นอย่างพุทธก็จะอธิบายอย่างอาจยรย์พุทธอธิบายว่าไงคนถูกเขาฆ่าตายอธิบายว่าไงกรรมใช่ไหมฮะกรรมข้อไหนเราเข้าใจได้ลึกลงไปได้อีกว่า พวกถูกฆ่านั้นกรรมเกี่ยวด้วยปานาติบาตในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งความพญนาททางทรัพย์สินเกิดขึ้นจากอาทนาธารมเป็นกรรมกรรมเหล่านี้คนอื่นทําแล้วให้เรามารับแทนหรือเราทําของเราไว้เองเราสมมติเราทําของเราไว้เองนั้นโดยสภาวะธรรมเนี่ยทุกขเวทนาเหล่านี้ <c oughs> เกิดขึ้นจากเจตนาเก่า อันเป็นอัจฉติกะเจตนาอันบุคคนนั้นสันดานนั้นได้ดำๆสําเร็จแล้วทำอย่างไรได้อย่างนั้นเจตนาอย่างไรได้อย่างนั้นคิดอย่างไรคิดอย่างไรนะคิดอย่างไรคิดแล้วทำอะไรไว้อย่างไรก็ได้อย่างที่ตัวเองมีเจตนาไว้เพราะถามว่าเจตนาเนี่ยเป็นคนเป็นแบบเป็นอันตาหรือไม่ใช่เป็นสังการละขันอันหนึ่ง ที่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็เป็นไปตามกระแสตามรูป ก, การสมเหตุสมผลของมันแต่ถ้าเป็นสำนึกของฝ่ายเทวานิยมน ะ, ะก็เป็นเรื่องที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นผู้บรรดาลหรือแม้แต่ไม่ใช่นับถือศาสน า, ศานับถือพุทธก็อาจจะบอกว่าพูดผีปีศาจผู้มีลิตรมองไม่เห็นตัวบันดาล น, นะ แล้วก็ไปโทษนั่นโทษนี่บางทีก็บอกว่าเพราะมันบ้านตัวเองที่ปลูกเนี่ยมันกรมบาดแตกไว้ลุกมนั่งทางในมาดูแล้วไปเอาไอ้บาดแตกออกแล้วก็จะพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้นะอะอ่หรือไปค่อมต่อไม้ไอ้ต่อไม้นั่นก็เลยทําให้เป็นทุกข์หรือเป็นที่ฝังศักดิ์ศรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไอ้มองใกล้ๆแล้วมันก็มันก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วมาบันดาล ไอ้ไอ้พูดอย่างนี้มันพูดได้ทุกเรื่องไม่ต้องไอ้เรื่องลึกลับหรอกครับแม้แต่สิงสาลาตัดคนมีชีวิตอย่ามาละฮะอย่างที่ว่มมว า, าต้นไม้เขาอยู่ยืนต้นเขาอยู่ดีดีลังพึ่งเขาก็ปลูกลงังต่างลังเขาอยู่ดีดีเราก็ไม่ได้ดูตาหมาต า, า, ตาเรือไปโคนต้นไม้ครับไม่ได้ร่วมมีลังพึ่งพึ่งมันก็ต่อยเอาทุ้งก็เกิดอ่ะมองอย่างตื่นตืนก็มัน ก, ก, ก, ก็บอกว่าพุ่งทําให้เกิดทุกติกาใกล แต่จริงๆแล้วมันมีเหตุลึกที่ทําให้พึ่งเกิดต่อยไหมไอ้บางคนเนี่ยมันก็อยู่โคนต้นไม้บางคนมันน่าจะถูกต่อยมันไม่ถูกต่อยไอ้บางคนไม่น่าถูกต่อยพึ่งมันกลับไปลุมต่อยนะไอ้ยกตัวอย่างอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่บ้านผมมันมีพึ่งลังแล้วมันขยายกันใหญ่เลยฮะตีแรกมันก็ลังแล้วต่อหลังก็ย้าย เราจะทาสีไม่ได้มันคงรู้ว่าเราทาสีไม่ได้มันก็ย้ายไปขึ้นอีกหลักเสร็จแล้วมันก็ขยายไปอีกที น, นี่มันไปอยู่ตรงหัวจูเนี่ยฮะจนเดี๋ยวนี้ผมแน่ใจมันไม่ต่อยไม่ต่อยผมขึ้นไปตีเลยตีหลังคาไปคนอื่นก็ไม่กล้าขึ้นกลุ้มต่อยผมก็ต้องไปทำเองมันบินกันว่อนรอบตัวเนี่ยแต่ไม่ต่อยเลยจนถึงเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้ แต่บางคนอยู่ข้างล่างมันลงมาต่อยต่อยช่างปากเจอหน้าบวัวเป็คนคนเพราะว่าไอ้มาดีแรกนะ่ะแกบอกว่าต้องจุดไฟไล่ต้องจุดไฟแล้วก็จุดแล้วนะผมบอกว่านอกจุดแล้วมันไม่ไปเลยมันคงแค้นมันเลยเกยแกก็เลยกลัวโดดต่อยไปสองคนถึงเดี๋ยวนี้มันบินบ่อนกันยังไงก็ไม่มีทางต่อยเราเลยรู้ใจมันเออมันอยู่กันอย่างเป็นมิตร เราคงไม่มีเวรมีกรรมอะไรแย่มถูกต่อยก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยมผนบอกว่าไอ้ชิมมันเหมือนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราไปเที่ยวโทษนั่นโทษนี่ไปเราระวังภายนอกเนี่ยไม่ได้ระวังสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระเราต้องระวังกรรมของเราเองสร้างกรรมของเราเองให้เป็นปึกแผ่นแล้วมันจะต้านมันจะหันเหทิศทางของสิ่งชั่วเนี่ยให้หันด้านดีเข้ามาหาเรา ได้ไม่ดีก็จะออกไปที่ไหนเพราะนั้นไอท้ทีเขาบอกเขามีสนงเสนีย์ยังงนคนดีเข้าไปแล้วลาบหมดหายเรียบหมดแได้คนไม่ดีเนี่ยต่อให้มาอยู่ที่ดีมันก็เสียคนเมื่อตัวเองไม่ดีพอเนะ่มาอยู่คนดีก็กเสียหายไปได้ตำแหน่งดีเขก็เสียหายนะมองดูแปลกนะมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันโทษใครไม่ได้เราแสวงหา เรื่องปัดเป่าเนี่ยต้องเข้ามาข้างในแล้วก็ค่อยกลับหน้าหันทิศทางของสิ่งเลวให้หันด้านดีเข้ามาหาเราต้อเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนั่นคนในสังคมที่เชื่อโชคเชื่อรางแล้วก็ทํากันอย่างไม่ถูกเนี่ยมันเพราะเหตุนี้สมมุติว่าไอ้คนมีเคราะเนี่ยเรียกว่าผีซ้ําด้ามพลอยนะมีเคราะห์อยู่แล้วไปไหนก็โหไอ้พวกจะจะซ้ําเนี่ย ไอ้ผีซ้ำล้วก็อยากด้ามลอยผมไม่รู้ว่าด้ามอะไรนะด่ามบิดหรือด้ามอะไรผมจำลอยเข้ามาอีกผีซ้ำด้ามลอยเนะี่ยมันเลยกลายเป็นแรงดึงดูดนะเข้ามาทําลายตัวเองแต่อ่าถ้าคนดีเข้าไปสมมติว่าไอ้ที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปรชาชญมีซากมีสมสไอ้คนไม่ดีเข้าไปเนี่ยมันมีเวรมีกรรมมันก็ไปโดนไปอะไร แต่ไอคนดีเข้าไปในะผีมันยิ้มรับเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้ไปอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเป็นมิตรมันสบายมันโอกลุ่นแต่นี่มันจะกุ้มกรองกลนกลองกุ้มกรองหวีแต่บุญแปลอะไรให้มันเลยกกลายเป็นดีไปอย่างไงไปหรือคนดีบางคนไปอยู่ที่ไหนก็ขโมยกระโจนลาบเรียบนะฮะไม่ไม่กล้าทําให้ดี กำลังจะฆ่ากันคนดีเดินผ่านไปไม่หยุดฆ่ากันชั่วขาวปล่อยให้คนนี้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวมึงฆ่ากันต่อ <c oughs> ลเลยก็ ร, เร้เรื่องดูแปลกเนี่ยทําไมเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้ผมถึงยกตัวอย่างว่าอย่างในหลวงหรือหลวงห ล, ว ง, หลวงพ่อกูลเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเดี๋ยวนี้นะเป็นสมัยสมั ย, มยไปคนไปหาท่านเนี่ยมันบางทีมันก็เป็นศัตรูกันนะฮแต่พอไปหาหลวงพ่อกูลแล้วมันก็เป็นมิตรหลวงพ่อกูลทังนั้น ําไปนัดเดียวกันแลแ้วแหมยังก็เป็นเพื่อนกันแหละหันหน้าเจอหลวงปู่เราก็ยิ้มแป้นมีความสุขกันทุกคนไปหาในหลวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนดีๆเนี่ยจึงไม่แทบจะหาคนไม่ดีไม่ได้ไม่ดีกับตัวนะไม่มีเลยมีแต่คนดีไปไหนก็มีแต่คนดีและถึงจะรู้ว่าคนนั้นไม่ดีก็รู้สึกว่าดีกับตัวแล้วก็ไอ้ความไม่ดีของเขาตัวเองไม่ถือสาก็เลยกลายเป็นดีไป ในพลังความดีมันก็อยู่ตัวนี้ยนั้นตัวเราเนี่ยที่จะเป็นตัวหันเหความเพ่งความสวยไอสิ่งที่มันเพ่งอยู่แล้วก็พอเข้าไปตัวนี้ยทําให้สิ่งนั้นคนนั้นหันด้านสวยมาให้ทันทีเสีย ห, หายทันทีเนี่ยทั้งทั้งส่วนมองเห็นส่วนมองไม่เห็นไม่ใช่ใครทําเราเป็นผู้ทําเราเองจึงว่าให้ยึดสาระพึ่งใดแน่ทานตีณภาวนา ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นนั้นเป็นลูกมือของสามอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่มีตนอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําได้ตามใจชอบถ้าสมมติว่าทุกข์สุขเนี่ยเราทําได้เองตามใจถ้าสมมุติว่าทุกเนี่ยเราทําตามได้เองใจชอบใครจะมาสร้างทุกข์นะบุญทังทุกขเวทนาเราก็สร้างแต่สุขเราไม่สร้างทุกข์ นเนี่ยอธิบายอย่างธรรมดาก่อนเดี๋ยวพออธิบายในทางลึกลงไปจีิงเมื่อพูดครบทุกข้อแล้ว <c oughs> จริงสรุปได้ว่าความทุกข์นั้นมีทั้งสองอย่างทุกขเวทนามีจริงเป็นปรมาจา์วัฏจุก์คือนามรูปมีจริงทุกมีแต่ตนผู้สร้างทุกข์ไม่มี มีแต่เหตุปัจจัใจที่เป็นเครื่องอุดหนุนให้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ผู้เสวยทุกข์ก็ไม่มีนะคือถ้าพูดอย่างเป็นภาษาท่านในที่อื่นด้วยท่านบอกว่าการกะคือผู้ไม่มีเป็นตัวตนเวทกะผู้เสวยความทุกข์นั้นไม่มี เป็นตัวตนแต่ตัวทุกมีอันนี้ก็เป็นแต่เพียงปฏิเสธตนข้างบนทุกเนี่ยเขาพูดกันอย่างไม่เป็นตนมันก็ไม่ผิดแต่ผู้ทําผู้สร้างทุกข์พูดกันอย่างเป็นตนผิดไม่มีผู้เสวยทุกไม่มีเป็นตนศาสนาพูดจึงรับทุกปฏิเสธผู้ทําปฏิเสธผู้เสวยอย่างเป็น อันนี้เป็นรูปภาษาบาลีนิดหนึ่งคราวนี้กัปาถามต่อไปว่าความทุกตนกระทำเองด้วยผู้อื่นกระทำให้ด้วยหรือก็ผู้มีพระภาคตรัสตอบปฏิเสธว่าอยากกล่าวอย่างนั้นก็คือตนภายในก็ไม่มีตนภายนอกก็ไม่มีไม่เกี่ยวกันเลยอธิบายตัวทุกอย่างเดียวกันเหตุ คือตนนั้นไม่มีไอ้คาว่าผู้อื่นเนี่ยหมายถึงตนอื่นตนของคนอื่นที่ไม่ใช่ตนนี้ถามต่อไปว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใช่ตนเองกระทามิใช่ผู้อื่นกระทาหรือพอมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะตอบว่าใช่ลับตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่า พวก <c oughs> มิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าทุกนั้นเกิดขึ้นลอยๆอทิจัตสมุ ป, ปันนิกาทิฏฐิความทุกทุกเวทนาเกิดขึ้นลอยๆหรือทุกในสังสารวัฏคืออัตภาพเบญจขันธ์เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้พระพุทธศาสนาไม่รับแต่ที่เราปฏิเสธว่ามิใช่ อ า, อาศัยการมิใช่ตนกระทามิใช่ผู้อื่นกระทาเนี่ยเราปฏิเสธว่าทุกนั้นมีเหตุเกิดไม่ได้เกิดจากตนใดและตนไม่มีนะต้องปฏิเสธตนด้วยตนไม่มีทุกมีแต่ทุกไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆนะฮะคือว่าอบพวกสมัยวิทยาการเนี่ยเขาจะแบ่งความคิดเรื่องทุก ไว้เป็นสีพวกแบบสตัตตติตฐินะฮะคือหนึ่งทุกน่ะตนสร้างขึ้นมาตนทาเองสองตนคนอื่นเป็นผู้ทาพ ร, ระภูเป็นจ้าปรม่าอาปรมาตามันเป็นผู้ทาหรือสิ่งอะไรทั้งหลายที่คิดกันอย่างเป็นตัวตนในลทัทติสากาเล็กน้อยอีกมากมายสองทุกนั้นทั้งตนและคนอื่น ร่วมกันกระทาตนหมายถึงตนข้างในตัวข้างนอกสี่ทุกนั้นเกิดเองลอยลยไม่ได้เกิดจากตนเองทาคนอื่นกระทามีเป็นสี่พวกนี้ทีนี้ของท่าพูดแะบอกว่าทุกมีทุกเกิดจากเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่ตนนะฮะทุกไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอย สรุปว่า ง, งี้ทุกมีไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอยๆทุกมีเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแต่เหตุปัจจัยนั้นไม่ใช่ตนนี่เป็นข้อสรุปในขั้นนี้ก่อนอเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงห้ามความเห็นที่ได้กล่าวมาแล้วกษ ป, ปะได้ทูลถามต่อไปว่าทุกไม่มีหรือท่านพระโคดม พอถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความทุกข์ไม่มีหามิได้ความทุกข์มีอยู่กับสัปปะถามว่าทรงตรัสหมายเอาทุกข์อะไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งเอาวัตฏทุกข์เป็นข้อหมายถึงในตอนนี้ด้วยเหตุว่าทรงต้องการจะดึงกัษปะเนี่ยให้ค่อยๆเข้าใจในธรรมลึกขึ้นไปโดยลำดับ ทุกมีอยู่ทุกนั้นคือปันจุปาทานกัณตาทุกก็เป็นอันว่าชัดว่าทุกศาสนาพูดยอมเราว่ามีอยู่โดยปรมาิตย์แต่ว่าเหตุให้เกิดทุกนั้นไม่ใช่เป็นตนแต่เป็นปรมาทิตย์เหมือนกันเพียงแต่ไม่ใช่เป็นตนเท่า น, นั้นเองอ่ากระสะป่า ก, ก็ทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคโดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์หรือคือว่า ถ้ายอมรับว่าทุกมีมันก็ต้องมีคนสร้างอันนี้คือคนที่ถามแบบคิดตามเหตุผลแบบดืๆ อ, อนะฮะคิดว่ามีตนทุกมีมันก็ต้องมีผู้สร้างเหมือนลูกมีมก็ต้องมีพ่อมีแม่ถ้าหากว่าทุกมีแล้วไม่มีผู้สร้างก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่รู้ไม่เห็นทุกจริงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราย่อม ไม่รู้ไม่เห็นความทุกขามีได้ <c oughs> เรารู้เห็นความทุกอยู่กับสปะที่ตรัสว่ารู้เห็นความทุกอยู่เนี่ยคําพูดนี้ไม่ใช่เป็นคําพูดตื้นๆไม่ใช่คําพูดที่กล่าวด้วยหลักการอย่างเราเนี่ยเราก็ ย, ยอมรับว่าความทุกหนีเรารู้อยู่ไอ้ทุกเนี่ยคือปัญจุปปาตาณัคขา แต่ที่พระผู้มีพระภาคทรงสัจนั้นหมายถึงการเห็นด้วยอํานาจแห่งอรหัตมรคคายานเลยทีเดียวคือการจะเห็นทุกข์ก็เห็นตั้งแต่ยานตอ น, ตอนมาโดยลําดับนะฮะแต่อย่างระดับพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสัจว่าเห็นทุกข์เนี่ยต้องหมายถึงเอาการเห็นด้วยภูมิปัญญาชั้นดีที่สุดมาเป็นเครื่องประกรันตอบ คือเมื่อถามว่าเราเนี่ยเข้าใจทุกข์ไหมเราอาจจะตอบว่าเข้าใจรู้เห็นแต่เมื่อถามว่าเห็นอย่างไรอธิบายว่าอย่างไรเห็นเมื่อไร่เห็นด้วยอะไรใครบอกต่างๆเหล่านี้เราจะแสดงความตื้นลึกหนาบางของปัญญาในทุกของเราออกมาไม่เหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงความลึกซึ้งของการเห็นของท่าน ทุกตรงนี้เป็นทุกอะไรครับทุกขสั์เดินทุกขสั์เมื่อแล้วผู้มีพระภาคตอบตอบอย่างนี้กระสป่าว่ายังไงกระสป่าก็กล่าวท้วงทีเดียวว่าเมื่อข้าพเจ้าถามว่าถ้าแต่ท่านระโคนดรงความทุกข์ตนเองกระทำหรือมาโดยลําดับเนี่ยมาจนกระทั่งถึงว่าแต่อย่างงั้นความทุกข์มีหรือกระตอบว่ามี ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่เห็นนะสิแล้วผู้มีภาคกลับตอบว่าอย่างนี้นะสำหรับคนอยากรู้แล้วก็น่าฉงนเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าถ้าอย่างนั้นความทุกข์ที่เห็นทุกอันนั้นเห็นอย่างไงมันถึงพ้นจากเงื่อนไขไอ้ที่เขาคิดกันเขาเข้าใจกันวไว้ความทุกข์มันมีราะเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระองค์ไปเสียเงื่อนไขกันหมดแต่บอกว่าเห็นทุกรู้จักทุก มันจะต้องมีเหตุแล้วทุกนั้นมันคืออะไรมีเหตุเกิดจากอะไรจึงขอร้องพระผู้มีพระภาคว่าขอจงบอกทุกแก่ข้าพเจ้าขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงทุกแก่ข้าพเจ้านี่เป็นคำขอที่น่าอนาถมากในความคิดทั้งชาวโลกเราเจอหน้าพระมีแต่ขอสิริมงคลเพื่อความสุขความเจริญชั่วกร ะ, ะนานแก่ข้าพเจ้า และนี่ขอทุกข์ขอให้บอกทุกข์ตรงนี้นะฮะมันลึกมากเพราะการขอให้บอกเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้าได้ถูกขอวิปัสนาภูมินะฮะแสดงทุกข์โดยความเป็นทุกข์เรียกสั้นๆนะแต่จะเรียกเป็นอย่างอื่นก็จะเรียกว่าอยายตนะเรียกว่าอะไรก็หลายๆอย่างตามลักษณะของวิปัสนาภูมิเรื่องนั้น แต่ว่าวิปัสนาภูมิทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีรสชาติมารวมอยู่โดยความเบเนนเดียวกันคือเป็นของทุกเป็นของน่าเบื่อหน่ายเนี่ยเลยเป็นของวิเศษตรงนี้คนจะได้เห็นเหตุทุกขก็ต้องเห็นทุกก่อนนะฮถึงจะเห็นตัณหามันสัมพันธ์กับทุกแล้วก็พอเห็นอย่างนี้ก็จะได้ความสุขจะดับทุกได้แล้วการที่เรากระทําการเพื่อดับทุก็กเป็นนิโรธ นั้นทุกนี้จึงเป็นข้อที่เห็นก่อนเป็นของเฉพาะหน้าเป็นทุนเริ่มแรกเราจะพ้นทุกได้ก็ทุกนี่แหละไม่ได้พ้นทุกได้ด้วยอำนาจของสุขอย่างอื่นสุขนั้นเป็นผลจากการเข้าถึงทุกอย่างถูกต้องตามวิธีการทางศาสนาเมื่อได้รับการขอร้องอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงทุกให้ฟัง ดังต่อไปนี้ตรัสว่าดูก่อนกสปะเมื่อบุคคลถืออยู่ว่าผู้นั้นกระทําผู้นั้นสเสวยกระทําก็คือการก ะ, สะเสวยก็คือเวตกะเราจะกล่าวทุกอเราจะกล่าวว่าทุกตนเองตนกระทําเองดังนี้อันนี้เป็นสัจสติติไป เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิมแทงอยู่ว่าผู้กระทำความผู้กระทาคนหนึ่งผู้สเสวยเป็นอีกคนหนึ่งเราจะกล่าวว่าทุกผู้อื่นกระทำให้ดังนี้อันนี้เป็นอุดเฉย ท, ทาทิฏฐิไปตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงทุกเนี่ยทรงชำระอะไรก่อนคนจะรู้จักทุกเนี่ยต้องชำระอันนี้ก่อน ไม่งั้นเห็นทุกคป็นของดีชำระทิฏฐิล้างทิฏฐิก่อนเพราะว่าพวกนอกศาสนาเนี่ยมันก็ติดทิฏฐิอัตตาเป็นสองแบบเนี่ยคือหนึ่งเห็นว่าอัตตายั่งยืนชั่วกัลประวัศาสรอีกพวกหนึ่งเห็นว่าอัตตามีอายุจำกัดก็เป็นอุจเฉท ท, ทิฏฐิ แล้วก็ไปคิดเรื่องทุกข์เรื่องแก้ไขไปใหมมันก็หนีไม่พ้นอัตตาต้องละลายอัตตาในสํานึกให้ได้อย่าเอาอัตตามาเกี่ยวกับทุกข์ไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำให้เข้าใจทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้ก็พ้นไม่ได้ที้ตรงนี้นะขออธิบายลงลึกไปนิดนึงว่าที่ ท่านกล่าวว่าบุคคลเมื่อถือว่าผู้นั้นกระทาผู้นั้นเสวยแล้วก็กล่าวว่าทุกตัวเองกระทาอันนี้เป็นศัะตรติติทางลึกของเราเนี่ยเราอธิบายปฏิเสธไปถึงขนาดว่ า, อาตอนที่เราทำกรรมสั่งสมตัณหาไว้ ทำความปรารถนาได้ตา้หาไว้เพื่อได้ชีวิตในขณะนี้นะ่ะนามรูปในขณะที่เราสั่งสมเป็นอันเดียวกันกันกบนามรูปในขณะที่เราสวยหรือไม่เป็นคนละอันกันเพราะมันเกิดมันดับใครที่เข้าใจว่าตอนสั่งสมกับตอนสวยมี ตนมีอัตตาเป็นตัวยืนรับผิดชอบการกระทาแล้วก็มารับผลของการกระทาอันนั้นเป็นสัตสตาทิฏฐิไม่ใช่ไม่ถูกแท้ที่จริงมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างเห็นเห็นนะว่าเมื่อเราทาเนี่ยทาเมื่ออายุเท่าไหร่มาสวยอายุเท่าไหร่ตอนทาเนี่ยเราอาจจะทาด้วย ตอนนั้นมีนี้สายใจคอความรู้สึกนึกคิดอย่างหนึ่งพอมาเสวยถึงตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมมันไม่คงที่บางคนก็เหมือนจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทําบาปข้อนั้นข้อ น, นี้ไว้ด้วยความเชื่อความคิดอารมณ์จิตใจอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงเวลาเสวยผลกรรมเข้าอีกวัยหนึ่งบ้างด้วยสมัยที่เราได้เหตุผลในเรื่องของชีวิตมากขึ้น ตอนเสบวยนะ์นั่นก็มีความรู้สึกนะึกคิดเป็นอีกอย่างมันต่างกันทั้งเวลาทั้งวัยทั้งความรู้สึกใช่ไหมฮะแต่ถามว่ากรรมมันยอมไหมบ่อแกลเปลี่ยนในี้สายแล้วฉันแม่จงผลอโหสิห้ไม่ยอมแก่แก่แล้วฉันสงสารแก่ไม่ให้ผลไม่ได้ครับหรือแกกําลังเจ็บป่วยฉันรอแกไว้ก่อนไม่อาันฝีผีตามดามลอ ย, อยนี่ว่าแต่มันเป็นอกุคุตระกรศมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น ก็ เ, เหตุนั้นตันหาใดในี่พูดถึงระดับอวตถุทุกข์ที่เราสั่งสมไว้ในปัจจุบันตันหานั้นก็เกิดก็ดับไปเป็นขณะขณะแต่ผลิตผลที่จะพึงเกิดขึ้นในอนาคตอัตภาพใหม่ก็เป็นของใหม่ที่สําเร็จขึ้นมาจากตันหาอันดับไปแล้วและอัตภาพปัจจุบันก็สําเร็จเป็นทุกข์ ที่สำเร็จจากตัณหาเก่าที่เราสั่งสมไว้ดับไปแล้วไม่ใช่อัตตายืนอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเราเห็นแล้วเราชอบครั้งหนึ่งคนไม่เห็นธรรมะก็หรือไม่รู้ธรรมะก็ไม่นึกว่ามีอะไรจะทำให้เกิดอะไรแต่ทางธรรมะหือว่าได้สั่งสมอัตภาพชีวิตของไว้แล้วด้วยพลังของตัณหานี้ นี่มันจึงเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปอย่างนี้ระหว่างธรรมกับระหว่างเสวยกรณีกรณีที่พวกที่มีความเห็นว่าเมื่อบุคคลถูกเวทนาทิมแทงคือท่านพู้เราเวทนาทิมแทงเป็นเชิงทุกขเวทนาเนี่ยก็เนื่องจากว่าพูดตามคันลองความคิดว่าทุกๆอย่างไม่ถึงระดับสังสารวัตรของพวกนอกศาสนา แต่ของเรานี่ยถือว่าเวทนาทิมแทงก็เป็นทุกหน่วยหนึ่งของวัตถทุกนั่นเองอกล่าวว่าผู้กระทาคนหนึ่งผู้เสวยเป็นอีกคนหนึ่งเราจะกล่าวว่าทุกผู้อื่นกระทาให้ดังนี้เป็นอุดเฉททิฏฐิไปเราพูดอย่างนั้นไม่ได้คืออันนี้นะในกรณีของพวกที่เป็น เถธาทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วขาดศูนย์ที่บุคคลเมื่อทำทำแล้วก็ขาดจากความเป็นผู้เสวยกล่าวคือว่าอัจารย์าท่านแก้อย่างนี้นะอาจารย์ทาบอกว่าผู้กระทำขาดศูนย์ไปในที่นั้นแหละคนอื่นเสวย สิ่งที่กระทำสิ่งที่ผู้กระทำกระทำแล้วคืออธิบายอย่างนี้มันอธิบายสอดคล้องเหมือนกับสำนึกของเราอันหนึ่งว่าบางทีเราก็นึกเสียดายเสียดายพอมาพูดว่านามรูปมันเกิดดับสืบต่อไม่มีตัวยืนรับผลการกระทำเป็นอันเดียวกระตองกระทำเราก็เสียดายแม้ตอนที่เราทําบารมีมันแทบลงแต่ตายนะฮะ พอไปเกิดใหม่ชีวิตใหม่มันก็ไม่ใช่หน้าเก่ามันอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดมันไม่ยุติธรรมเลยเราเนี่ยเสียเลี้ยวเสียแรงทำถ้าตายใช่ไหมเด็ดแล้วก็ไอ้คนขึ้นสวรรค์กลายเป็นเดวดาไปซะจิตไม่ใช่มนุษย์อย่างเราเอออันนี้ก็ในแง่ของของกุศลแล้วก็นักเสียดายอย่างนี้แต่ไอ้ทีตอนที่เรามาสวยสุกอย่างนี้ แล้วก็บอกว่าเนี่ยทําไม่ชาติก่อนแล้วก็อิ่มเอ็มเปรมใจแหมชุบมือเปิบเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเนี่ยทําไม่แต่ชาติปางก่อนขึ้นมาได้ในชาตินี้ใช่ไหมฮะคือไอ้คนยึดถือมันจะต้องคิดเอาเปรียบเสียเปรียบอะไรอยู่เรื่อยมันไม่ได้คิดอย่างพอดีพอดีอย่างคนที่เขาเข้าใจทำเข้าใจความเกิดดับหนะอย่างดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องพวกนี้กับไอ้เรื่องความสืบต่อเราเห็นเราคิดไปเป็น คนนั้นคนนี้แบบขาดตอนขาดช่วงจากกันอย่างนี้จึงชื่อว่าไม่ได้เข้าใจความสืบต่อตัวพุทธศาสนานั้นสายกลางจริงๆคือไม่ถือว่าเป็นอันเดียวกันเสียสนิทแล้วก็ไม่ถือว่าขาดกันโดยสันดานอย่างเราเนี่ยเป็นคนเดียวกันโดยสันดานคือสืบต่อกันมาโดยสันดาน แต่อาจจะอื่นจากการโดยชาติกําเนิดบอพบนั้นมาสู่พบนี้เป็นลําดับเป็นลําดับไปตรงนี้ก็เป็นการอธิบายทั้งสองอย่างเนี่ยครับอธิบายสายกลางคือหลักสันสติความเห็นความเข้าใจเรื่องสันสติและหลังจากนั้นจึงได้ทรงแสดงทุกอย่างเป็นสันติ ไอ้สันติในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สันติเกิดต่อต่อต่อต่อกันแล้วไม่เกี่ยวกันสันติสืบต่อกันแบบมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ในตัวสันติมีสองอย่างสันติคือความสืบต่อแบบไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันกับสันติแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน เหมือนเราของสองอย่างมาเรียงต่อๆกันมันไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่ถ้าหากว่าขณะจิตกับขณะจิตสืบต่อกันถือว่าเป็นสันตติที่เป็นเหตุเป็นผลกันในที่นี้ทรงแสดงหมายถึงสันตติทุกนเนี่ยสันตติของทุกนั้นจะเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่ในตัวไม่อื่นจากกันและในสายดับที่ตรัสว่าเพราะอาวิชชานั่นแหละดับ อย่างอื่นก็ดับเรียบหมดจนกระทั่งทุกทั้งมวลดับวัตทุกดับเนี่ยข้อนี้ทรงแสดงถึงออวิธีทั้งวิธีแล้วก็ทั้งหลักการหลักการคือไอ้ข้อจริงว่าการสลายความสืบต่อความสืบต่อของอาตภาพเนี่ยเป็นความสืบต่อของเหตุผลที่ควรสลายหรือควรรักษาไว้หรือควรบำรุงไว้ตอบว่าเป็นความสืบต่อที่ควรสลาย อานจึงแสดงปฏิจจาสายดับเพื่อชี้ให้เห็นหนทางการตัดอำนาจความสัมพันธ์ของเหตุผลที่สืบต่อกันให้ขาดและถ้าขาดเมื่อไหร่ก็เป็นน้นว่าดับทุกเมื่อนั้นก็แสดงทำมาจนกระทั่งจบกระสป่าก็ฟังด้วยความทราบซึ้งจึงได้อนุได้กล่าวสดุดีพระเทศนาอ่านหน่อย กล่าวว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิของพระองค์แจริแจ้งนักข่าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิตธิ์ของพระองค์เจริแจ้งนักรน พ, พร ะ, กะผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยประสงค์ว่าผู้ที่มีจักู่จักเห็นรูปนั้นฉะนั้นข่า พระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคากลับสั้งพระธรรมภิกษุสงฆ์เป็นสารณะข้าพระองค์พึงได้บรรชาพึงได้ประสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้อความสุดท้ายเนี่ยครับจะเป็นข้อความที่แตกต่างกับคําของอุบาสกทั่วไปจะมีสองส่วน่ะพวกหนึ่งก็คือแสดงความเริ่มใสถึงสารณะแล้วก็ยังจะบอกว่าขอให้พระองค์ทรงจำํำพระเจ้าตลอดชีวิตเนีอันหนึ่ง หลือบางท่านก็บอกว่าขอข้าพระองค์ขออาราธนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่เพื่อเสด็จไปรับบิณฑบาต ท, ที่นิเวศของข้าพระองค์ในวันล่วงขึ้ น, นตอนท้ายก็จะแสบมันนี้แต่พวกที่มีอุปนิสัยทางบวชเนี่ยจะไม่นิมนต์พพุทธเจ้าไปจังอย่างว่าจะขออุปสมบท ในสำนักพระผู้มีพระภาคก็สังเกตด้วยนะครับระบบูว่าในสำนักพระผู้มีพระภาคคือขอนิมนต์พระเจ้าเป็นอุบาชาบวชก็มีบางพวกที่คิดจะบวชแต่ว่าพอฟังแล้วก็ไม่ได้มาขออย่างนี้ก็อาจจะไปบวชกับคนอื่นแล้วก็มีบางทีพระเจ้าก็ส่งไปบวชกับคนอื่นแล้วแต่คนที่ท่านจะเห็นเหมาะสม แต่อย่างไรนี้เรียกว่าเป็นพุทธเวไนพุทธเวไนเนี่ยคือหนึ่งพระพุทธเจ้าวบวชเองแต่อาจจะไปบรรลุที่หลังบรรลุคน อ, อื่นอะไรก็พอได้องอนุโลมอีกพวกหนึ่งก็คือบรรลุ ก, กับพระพุทธเจ้าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามก็เรียกว่าเป็นพุทธเวไนเราก็มันนึกนึงว่าถ้าเราไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ ใดองหนึ่งถ้าเกิดจะบวชขึ้นมาเนี่ยเราก็คงจะอยากได้พระเจ้าเป็นอุปชาเหมือนเด่นเนี่ยบางคนก็ได้สังฆราชเปอุปชาคุยทั้งชีวิตแห ล, ละสังฆราชองค์นั้นเป็นอุปชานะฮะเจอหน้างก็คุยบางท่านกับสังฆราชอยู่บางท่านก็มาเจอมาที่เนี่ยเคยพราบนี้สังฆราชวัดบวรองค์ปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเกียรติปลื้มใจได้เยอะหน่อยนะะ บางท่านก็อาจจะได้อุปชาเป็นพระบันนอกไม่ได้มีการศึกษาอะไรสูงก็แตกต่างกันไปบางท่านก็ไม่ได้เลือกบางท่านก็เลือกอันนี้ก็แล้วแต่คนนะ <c oughs> แต่อันี้ก็เลือกพระพุทิเจ้าเป็นอุปชานี่ยนี่ี่พูดถึงการบวชทีน่นี่ในแง่ของการบรรลุบางคนในพระพุทธเจ้าวบวชแต่ไม่ได้บรรลุกับพระพุทธเจ้าเช่นใครพรงพุทธเจ้าบริญิพานแล้วถึงไปบรรลุคนอื่น บวชให้แนตะ่บรรลุไม่ได้ต้องไปบรรลุคนอื่นตังโกงนึกออ ก, กว่าไงเนี่ยนี่ถ้าไม่ได้บวชหรือทั้งบวชทั้งบรรลุก็เราก็มีสิทธิที่จะพอใจเลือกเอาอย่างไงแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่แล้วหน้ามืดแล้วไม่ฟังเสียงแล้วพูดหรือไม่พูดขอให้บรรลุแค่นั้นแหละพร้อมที่จะบรรลุเสมอ อันนี้ก็เมื่อได้ขอบวชเนี่ยพระผู้มีพระภาคท่านทอยังไงอันนี้ก็มีเล่าเป็นเกล็ดไว้นิดหนึง่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกพิสูจทั้งหลายมาให้พาอจเจละตัสปาเนี่ยพาไปไหนก่อนเลยครับพาไปอาบน้ำเอ้เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องไปอาบน้ำก็คิดดูแล้วก็ไม่งงเพราะว่าพวกนิ่มพวกตัวปลก การอนามัยเนี่ยพูดถึงว่านักบวชสมัยวิทธาการนะเว้นแต่ว่าพวกพรามชั้นสูงสกหลกครับรูสง่งรูสีเนี่ยแม้แล้วก็มองดูอสัตย์ปลาทําได้ชานได้ไงไม่รู้นะเล็บเล็บยาวผมก็ยาวยุ่งๆนั่ะแต่บรรลุชานได้ก็ั้องว่าเขาเก่งนะแต่พอมาบวชเป็นพระเนี่ยวินัยอยู่กํากับเลยครับย่ มาอยู่เล็บยาวงงไม่ได้นวดเข้าทุกสิ่งทุกอย่างการนาำไม่ดี <c oughs> ก็เอาไปอาบน้ำไม่แหมรู้สึกก็พิเศษมากนะไม่รู้ว่าแบ่งหน้าเทีย่ยวคนนี้ขัดขาคนนี้ขัดแข ค, <c oughs> คนนี้ปอก <c oughs> สบู่ไอ้ผงอาบน้ำอะไรงี้นะะแหมรู้สึกมีบุญดีมีเกียรติมากนี่ก็เป็นธรรมดานะเรียกว่าคนเข้าถึงผู้ใหญ่แล้วอเงี้ยผู้ใหญ่จีก็วิ่งยังกลึกล ก็เป็นบุญของของกัสปะบุญตามมาทันนะก่อนหน้านี้ก็แล้วยังบุญยังไม่ลงผลจ็ไปทักเซฟในจอนอกต่างเสนาที่พออาบน้ำเสร็จแล้วก็เราก็จับตาดูเวลาอนะ่านเออเป็นเอหีหรือไม่เอหีเอหีไม่ต้องอาบน้ำครับทำไมนะมันจะเป็นคลักมาไงไม่ต้องอาบนา้ำพอพระพุทธเจ้าตรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเติดเงี้ยมันพองหมดเลยครับเหมือนอาบน้านทิพผ้าพอนทอนสบายที่สำเร็จได้บุญมาเลยเป็นบุญญาฤทธิ์นะโผล่พรวดพลาดมาเลยฟังแล้วเหมือนโกหกนะแต่ยุคเราเราโชคดีเราเห็นเรื่องอย่างนี้พออุ่นใจได้หลายหลายไอ้เรื่องโผล่พลวดพลาดมาด้วยบุญญาฤทธิ์นี่ก็สำเร็จเป็นองค์พระ ผมเผ่าไม่ต้องมานั่งโกนนั่งอะไรกันเลยเล็บเลบหนวดเนินหายไม่รู้ไปอยู่ไหนนะก็พระพุทธเจ้าเองออกบวชยังต้องไม่ใช่เอเองนะพระเจ้าเอหิคนอื่นได้แต่ว่าเอหิพระองค์ไม่ได้ต้องบวชคือต้องต้องบวชเองอะ่ะ <c oughs> อาอาเจละไม่ใช่เอหิพี่ขุมาก็หาแต่งตีวงิีวรมาแล้วก็มา นุ่งมหหมพระพุทธเจา้าโคทรงเป็นอุปชาบวชท้ามกลางสงเป็นพิธีใหญ่อนี่พูดถึงตอนบวชแต่ว่าพอแสดงความจำนงว่าจะบวชเนี่ยแล้วผู้มีพราตรัสว่าดูก่อนกับสปาผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดรัทธีอัญญาบแล้วว่าอื่นเดรัทธีแล้วคู่ข้าม่าอื่นเป็นส้มนวนคือประพฤติวัดเป็นอย่างอื่น มุ่งหวังไปทางอื่นมีครูบาอาจารย์เป็นอย่างอื่นหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวีไนนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนปริวาสนี่แปลว่าอยู่จำกัดบริเวณสี่เดือนพิกสูทั้งหลายเต็มใจแล้วหวังอยู่จึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นพิกษุก็แต่ว่าเรารู้ความ แตกต่างแห่งบุคคลอเจละกะักะกสปากกลับทูลว่าอาก่อญจะไปถึงคำกลับทูลว่าดูข้อความสุดท้ายว่าก็เรารู้ความแตกต่างแห่งบุคคลเนี่ยเป็นข้อความสําคัญคือถ้าเป็นคนนอกาศาสนานเนี่ยมันคล้ายๆว่าอยู่กันคนละวัฒนธรรมนะความเคยชินความผูกพันอะไรต่อไรเนี่ยเราแน่ใจได้งไงว่าเขามาอยู่อย่างนี้แล้วเขาจะ รับอาจาระรับขนบธรรมเนียมเข้ากันได้อย่างดีอะไรเป็นเครื่องรับรองอย่าไปเอาไอ้การตกปากรับคำก็รับรองนนมันเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นทางวินัยเนี่ยในบนรรพชาปรปชาขันตะกะในวินัยวิดกเนี่ยเวลาจะบวชใครคนมาจากไหนก็จะมีวินัยรองรับว่าแต่เป็นคนนอกศาสนาต้องมาอยู่ให้พระดูแลสี่เดือนก่อนเออคนนี้ไปได้ ต้องดูเจตนาที่เขามาบวชดูไอ้ความเข้ากันได้ความรับได้ได้หรือไม่เพราะคนเนี่เราต้องเข้าใจว่าคนที่นับถือลัฐที่อะไรมีวัดอย่างไรมันมันฝังใจแล้วมันลืมยากนะใช่ไหมฮะมันลืมยากจริงๆครับเราจะาไปล้างสมองนี่ไปนึกว่าล้างได้ทุกคนขนาดอคุดด้วยกันแล้วก็ต่างความคิดต่างอะไรอะไรกันเนี่มันยังยากเลยครับ ยิ่งเป็นคนศาสตร์นอกศาสนาเนี่ยก็ยิงยากเดี๋ยวแกเกิดบวชแกปุบ ป, ปับแล้วคงแมหม่ห่มผ้าเหลืองแล้วมันร้อนเคยจะแก้ผ้าแล้วก็เกิดจะไม่นุ่งผ้าขึ้นมาจะว่างหนอยะหรือว่านุงน่ ง, งนุ่งตกเขมรโดยจีวรโดยตะบองผืนเดียวเนี่ยมันก็ดูนักเกลียดนก็ต้องปึกษาหลายอย่างก็เลยต้องมาอยู่บริวารแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงรู้ว่า คนบางคนได้ไหมต้องสรงรับรองให้ว่าคนนี้บวชได้เลยไม่มีปัญหาเพราะนั้นข้อความที่บอกว่าเรารู้ความแตกต่างให้บุคคลก็คือคนบางคนทรงยกเว้นให้กรณีของกัสรินั้นเป็นประเภทที่ได้รับการยกเว้นก็ท่งยกเว้นให้ทีนี้เมื่อทรงตรัสอย่างนี้ไม่ทันจะได้บอกว่าจะทรงยกเว้นให้นะกัสริเนี่ยใจถึง มีอุตสาหะกล้าแข็ ง, งใช่ไหมมีอุตสาหะมากแม้จะได้ยินคําว่าต้องอยู่ปริวาทถึงสี่เดือนก็ได้กราบทูลว่าข่าแต่พระองค์เจริญนะหากผู้ที่เคยเป็นอัญญาเดลธีพึงหวังแล้วต้องอยู่ปริวาทถึงสี่เดือนเนี่ยข่าพระองค์จักอยู่ปริวาทสีป่ปีขออยู่ถึงสี่ปีเพิ่มไปอีกไม่รู้กี่แล้วตัว ตีแล้วว่าสิบเท่านะเมื่อล่วงสี่ปีภิกษุเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดแสดงความตั้งใจจริงอย่างนี้ก็เลยให้บวชเลยอันนี้ก็เป็นหลักที่เดี๋ยวนี้หรื อ, อการบวชของชาวต่างศาสนาเนี่ยเขาก็ใช้หลักนี้นะ คือเรื่องนี้นะถ้าเราจะมาคุยเรื่องการบวชการเรื่องปัญหาทางคณสงฆ์เนี่ยผมว่าบางทีเราน่าจะเอาเรื่องนี้มาใช้อย่างเข้มงวด น, นะว่าคนจะมาบวชควรจะจะไปทดลองอย่างเดี๋นี้ก็เรียกว่าไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่กับวัดเพื่อพิสูจน์ว่ารับได้ไม่ได้แค่ไหนอย่างใชเรื่องของปริวาิเหมือนกัน อเจย์ระกาศกรสปะก็ได้อุปสมบททันทีได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีประภาคแล้วครั้นท่านกะส ป, ปะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมูอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอลีกออกจากหมูเป็นวิเวกกายวิเวกแสดงถึงวิเวกนะ แล้วก็ไม่ประมาทก็คือเจริญสติความเพียรอาตาปีจิตแน่วแน่คือสมาธิไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งปรมาจารย์นั้นยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเ็นบรรปะิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยบัญญาอนยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมาจารย์อยู่จบแล้วกิทที่ควรทาทาเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านกสปะได้เป็นพระอาหาร์องค์หนึ่งในจำนวนอระหันทั้งหลายเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเทียบอย่างนี้ก็จากฮิปป <c oughs> ี้กลายเป็นพระอรหันต์อย่างเดี๋ยวนี้ที่เราพูดถึงว่าหลังฮิปปี้แล้วมาปฏิบัติธรรมมาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเนี่ยเคยติดเหล้าติดยาติดกัญชา He เหรออีกก็มีคนไทยเราบวชแล้วเป็นพระรเป็นคน จากคนแก้ผ้าทงท ง, ท ง, ทงมาบทเป็นอหรหันต์อาจาระเรียบร้อยเนี่ยธรรมะก็เปลี่ยนชุบชีวิตคนได้อย่างนี้ได้เป็นพราอหารหัน์ภายในพรรษา น, นั้นเองนะนะบังเอิญไม่ได้บอกว่าวันไหนวันไหนไว้ก็คือถ้าพูดอย่างนี้ก็แปล ว, วันไหนพรรษานั่นแหละในสามเดือนผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยดูถูกกันไม่ได้ ดูถูกกันไม่ได้ว่าคนที่มีความประพฤติตกต่ำนะฮะหรือคนที่ดูแล้วไม่ก้าวท้างอย่าเป็นคนไม่มีอนาคตในธรรมะแล้วก็บางคนก็ไม่นึกจะดูถูกเนี่ยแต่แล้วก็มาทำให้เราดูถูกได้คนที่อยู่กับลาภวัดมาอย่างดี เห็นมีพวกเขเล่าให้ฟังว่าเขานักเรียนโรงเรียนโรงเรียนฝรั่งอย่างนี้แล้วกันนะก็มันก็มีเด็กครีฑาเด็กพูดไปเรียนเดียวกันแล้วไปนั่งโต๊ะติดกันมันก็ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะก็เรื่องอะไรทะเลาะก็เรื่องพระเจ้าของเราก็สมัยก่อนเรียกพุทธเจ้าว่าพระเจ้ากันของเขาก็เอาคํานี้ไปเรียดไปจนมันเป็นคำกรีฑาไปแล้ว พระไตรปิฎกจวบปัตตววรกลัวจะเสียคําพระเจ้าไปเลยเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาให้สูงขึ้นไปก็ทะเลาะ ก, กันเนี้ยเป็นอาจินข้อจบออกมาแล้วเป็นไงลูกฮะไอ้คนพุทธกลายเป็นคริสไอ้คนคริสกลายเป็นพุทธเลยมามีลูกมีเมียเลยเป็นครอบครัวคริสครอบคพุทธกลับตละปัดกันไปเลยนี่มันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนกันเนี่ย เรียกว่าเกิดมาแลแ้วแหมน่าจะเป็นราชันิกุลเอ๊ะทำไปทำมาจะไปเป็นคลิตไปไแต้อย่จะทิ้งศาสนาพุทธแต่ไนก็มัน่นไม่แน่บางคนเนี่ยสังฆราชเป็นอุปาจาให้กลายไปเป็นบาทหลวงแต่ไหนผมไม่เชื่อเลยสังฆราชวัดโพโบนให้กลายเป็นหมอสอนศาสนาแล้วสองสององค์เลยนะเมื่อก่อนนะ สองคนเลยที่ผมรู้นะเพราะว่าเมื่อก่อนผมไปสอนวิชาหนึ่งแล้วเขาเขาส่งกอนมาเรียนเรียนเสร็จแล้วเขามาคุยกับผมอย่างดีตีสนิทแล้วเขาบอกเนี่ยเขาลูกศิษย์สังฆราชวัดโพเป็นอุปชาบวชนะ้เราก็งงไม่ไม่กล้าถามเขาต่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเออมันก็ไม่แน่ กถึง บ, บอกว่าคนบางคนมีดวงชะตามีบุพกรรมจะไปท่าไหนก็ต้องไปทางนั้นเราไม่เดือดร้อนนะฮะ่และฮะวันนี้พอ้อมควรแก่เวลาขอยยุติท่านี้ครับสัพเสัตตาอเวลาอัพยาปัจจาอะนีฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุก็ปิดประชุมครับ ผลคือการละกุศลชั้นต่ำเท่านั้นแต่มันหมายถึงการที่เราละกุศลชั้นต่ำได้แปล ว, ว่าเราละกิเลสชั้นต่ำได้เพราะอะไรเพราะว่ากุศลชั้นต่ำกุศลทุกอย่างที่เป็นโลภีเนี่ยมันถูกตันหายุดถูกกิเลส